บรรลุพระอรหันต์นะไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่คนธรรมดารรมดาอย่างพวกเราจะทำได้หรอกนะฟังแล้วเหมือนไกลเมื่อก่อนเราถูกสอนนะว่าพวกเราบุญน้อยบารมีน้อยทําบุญทาทานไปเรื่อยหรือนั่งสมาธิไปเรื่อยอีกเป็นแสนแสนชาตินับารมีมากแล้วก็บรรลุมรคนิพพานตราบใดที่ไม่เจริญปัญญาบารมีไม่มากอยู่นั่นแหละ มันก็อ่อนไปตลอดนะถ้าชาตินี้เราไม่เจริญปัญญานะในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เราไม่เจริญปัญญาไปเจอพระศีลานบาลมีเราก็ยังอ่อนอยู่อย่างนั้นเองอะไรที่อ่อนมากๆเลยคือปัญญาเป็นอ่อนยินรียอ่อนนี่ปัญญยินรียมันอ่อ น, น, ออนปัญญยินรียอ่อนปัญญาอ่อนอ่อนเนี่ยมันจะไปเห็นแต่ว่าตัวเรามีจริงๆอยู่งนั้นแหละ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 เพราะอะไรเพราะจิตใจของพวกเรามันเต็มไปด้วยกิเลสเวลาเราคิดเราก็คิดตามใจกิเลสคิดไปทีไรมันก็มีเราทุกทีแต่ว่าอยากให้เราพ้นทุกข์มันมีเราแต่อยากให้เราพ้นทุกข์อยากให้เรามีความสุขไม่สามารถเห็นได้ว่าไม่มีเราปัญญาที่จะล้างความเห็นผิดว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนมีเรามีเขาได้เนี่ยคือภาวนามย์ปัญญาเพราะภาวนามย์ยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญา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 สอนสมถะกรรมฐานสําหรับตําราสอนวิปัสนากรรมฐานเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคำภีร์ต่างๆก็ยังอยู่สมบูรณ์ไม่ได้ตกหล่นไปไหนแต่ทําไมคนปฏิบัติแล้วไม่ค่อยได้ผลเพราะไม่รู้เคล็ดวิชามีแต่ตำลานะแต่ไม่รู้เคล็ดลับของการปฏิบัติไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะจับยังไงและสิ่งที่หลวงพ่อมาบอกพวกเราเนะี่ยบอกวิธีปฏิบัตินะแล้วบอกเคล็ดลับให้ด้วยแต่ละขั้นแต่ละตอน อย่างถ้าเราอยากถือศีลเราจะทำยังไงเราถึงจะถือศีลได้ดีเราต้องรู้ทันเนี่ยเคล็ดลับเราต้องมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจกิเลสไม่เกิดที่อื่นหรอกกิเลสที่เกิดนี้ที่ใจของเราเองเท่านั้นเพราะถ้ากิเลสเกิดที่ใจเรามีสติรู้ทันนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแล้วทำยังไงจิตจะสงบจิตสงบเพราะว่าอะไรนะเพราะจิตมันพึงพอใจอยู่ในอารมณ์อันเดียว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 สมาสมาธินั้นจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วก็เข้าฌาน1234 5678 1234คือรูปฌานชาหกเคืออรูปฌปานในตำราท่านจะพูดถึง1234นะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงถึงสมาสมาธิตีท่านพูดฌาน 1-4 ถึงทำไมแล้วฌาน5 6า8หายไปไหน5678เป็นอรูปฌานอารูปฌานนั้นแท้จริง ก็คือฌาน4นั่นเองนะมีองค์เป็นองค์ธรรมส อ, อย่างนะอุเบกขาและเอกคาตาเท่าเท่ากับฌาน4และจิตจะเข้าฌานนะที่เข้ารูปฌานหรืออรูปฌานก็ได้สมาธินั้นมีคุณสมบัติประหลาดอย่างหนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตได้อย่างแจม่มแจ้งนะได้แน่นอนมั่นคงไม่คลอนแคลนโดยที่ไม่เจตนา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 เวลาบรรลุพระอราหันต์ท่านถึงใช้คําว่าจิตหลุดพ้นจากอาสะวะเพราะความไม่ถือมั่นหลุดพ้นจากอาสะวะนะอาสะวะมันห่อพุ่มจิตอยู่มันแหวกออกมาได้แล้วแตกสลายไปเลยนะไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยเราต้องฝึกสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทําวิปัสสนาแต่เกิดในขณะแห่งอริยมรดุด้วยเมื่อเกิดอริยมรด์ชั่วขณะเดียวนะ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 มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลายืนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกขนะ์เดี๋ยวก็ทุกข์อย่างโน้น ون, เดี๋ยวก็ทุกข์อย่างนี้มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็จะแจ้งขึ้นมาร่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเป็นก้อนทุกขนะ์ถ้าดูจิตดูใจนี่จะเห็นอนิจจังกับอนัตตาง่ายนะเพราะจิต น, นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแ ป, ปลงรวดเร็วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าายยนีี่่่แสดงงควมมไเท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 ที่หลวงพ่อเน้นมากๆคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นถ้าไม่มีสมาธิอย่างนี้จเจริญตัญญาไม่ได้อันนี้จริงๆก็ไม่ใช่คําสอยของหลวงพ่อในตำรับตำลานะเขาก็มีเรื่องสมาธิสองชนิดที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานจิตเพ่งอารมณ์ัเดียวสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวอีกอันหนึ่งลักขณูปนิชฌานนีจิตตั้งตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา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 เห็นแจ้งใจรักนะก็จะเห็นทำนะต่อไปพอถึงขั้นสุดท้ายขั้นจะแตกหักข้ามภพข้ามชาตินัจะเห็นทุกเห็นทุกขแจมแจ้งเลยหลวงปู่ดุลเคยสอนนะท่านสอนพระองค์หนึ่งครบาอจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าจะให้หลุดพ้นไปพ้นทุกข์ไม่ยากหรอกนะเนี่ยย้อนมาดูสิถ้าเห็นทุกนะเห็นทุกเนี่ยทุกของกายทุกของใจจิตมันก็ปล่อย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 ทำไมให้เด็กยกมือไม่ให้คนพูดเท่ากว่ายกมือเดี๋ยวคนพูดเท่าเมึ้ยมือเรียกให้เด็กอ่อนนยกมือไม่เป็นไรการปฏิบัติไม่ยากถ้ารู้หลักนะถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกเรามีหน้าที่ฟังทำแล้วต้องเอาไปทําถึงจะเป็นการเจริญปัญญาที่แท้จริงฟังเฉยๆเป็นสุดตะมยาปัญญาฟังแล้วก็เอาไปคิดเพิรเจอเอาเป็นจินตามายาปัญญา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 พวกเราค่อยฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้งไม่ยากเกินไปแต่ไม่ทำวันนี้ไปเจอพระศิยานก็ทำให้เป็นอีกนั่นแหละอา้าววันนี้เท่านี้นะการนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านในรอบปีครึ่งค่ะก็สรุปเลยนะคะก็ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองรักษาศีลได้ดีขึ้นมากค่ะแล้วก็เห็นกิเลส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 คนละขันกันกิเลสเป็นสังขารขันจิตเป็นวิญญาณขันความสุขความทุกข์กับจิตเก็คนละอันกันค่อยๆหัดดูไปโคนละขันความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันจิตเป็นวิญญาณขัน์เราเห็นกายกับจิตเป็นโคนละอันไหมดูกายชัดถ้าดูกายชัดดูกายเป็นหลักไว้เลยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกดูตัวนี้เป็นฐานไว้ใช้กายเป็นวิหารธรรม เราเป็นคนรักสุกรักสบายรักสวยรักงามดูกายไปถ้าดูอสุภะด้วยได้ไหมคะไม่ไม่ดีเป็น <Okay. S 2> สมถะค่ะนะให้ดูของจริงคือร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ได้แล้วจิตตั้งมั่นกับการเห็นกระบวนการทำงานของจิตมันคนละอย่างกันใช่ั้ยคะจิตตั้งมั่นนั่นแหละทาให้เราสามารถเห็นอะไรต่ออะไรได้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 โยมถึงมาแปลว่าอ๋อเป็นความหมายอย่างนั้นแรกๆเห็นเป็นเสียงสูงๆต่าๆโยมก็นี่แปลกใจว่าทำไมนะทําถูกก็เปล่าใ่ไหมคถูกสินั่นแหละเราเห็นกระบวนการของมันแล้วเราเห็นวิธีของจิตในการขึ้นมาทํางานหูได้ยินเสียงส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจสัญญาณเข้าไปแปลแล้วก็ปรุงนะรู้เรื่องราวขึ้นมาแล้วก็อาจจะปรุงต่อเช่นยายคนนี้พูดซ้ำซากน่าลาคาญอะไรเงี้ยใจ <laughs>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 ดูคีเลตค่ะกลับนับสกสการหลวงพ่อค่ะโยมฟังสีดีมาประมาณ2ปีแล้วส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะคือโยมก็จะดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็ดูใจทํางานแล้วก็อยู่กับพุทโธเผอไปแล้วก็จะรู้รู้สึกว่าสติเกิดบ่อยขึ้นนะคะนั่นก็ถูถกลแล้วเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเห็นกายกับใจเป็นคนละส่วนแล้วค่ะโอดีเห็นจริงรึเปล่าคะแม่สาม จ, จริงนะคะขอบคุณค่ะจริงสิ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 เริ่มดูเวทนาต่อตัวไหนมันเด่นดูตัวนั้นตัวนี้เวทนาจะดูง่ายกว่าค่ะเพราะว่าดูกายดูใจคนละส่วนได้ <Okay. S 1> คือพอปัญญาเราเริ่มสติสมาธิปัญญาเริ่มแก่กล้านะมันก็ขยับจากกายขึ้นมาเวทนาขยับจากการดูจิตว่าดีไม่ดีอะไรเนี่ยขึ้นมาเห็นกระบวนการทํางานของจิตขยับการที่เห็นจิตมีราคะจิตไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะเนี่ยอยู่ในหมวดจิตตาทุกปัจจณา ที่เห็นกระบวนการทํางานของจิตเนี่ยขึ้นมาทำมานุปัสสนะอันนี้โยมก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มวิปัสสนาใช่ไหมคะคือยังไม่แน่ใจตัวเองเพราะว่าไม่ได้หลวก็เริ่มแล้ว่ะเริ่มแล้วใช่ไหมคะมาถูกทางนะคะหลวงพ่อถูกถแล้วการบ้านค่ะหลวงพ่อไปทำอีกอย่าโลภไม่โลภค่ะคือกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะจะปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาและถวายหลวงพ่อด้วยค่ะสาธุชอบมากเลยลูกศิษย์ปฏิบัติเนี่ย จริงๆต้องขอยอมรับว่าไม่มีการบ้านมาสง่งหลวงพ่อเพราะว่าคือตั้งใจปฏิบัติหลายทีแต่ด้วยความที่มันมีเรื่องงานที่เราต้องคิดแล้วก็เรื่องเรียนเข้ามาเยอะก็เลยทําให้เราลืมตัวไปบ่อยอะค่ะใช่ยังมีเว้นไวัยเรียนนะวัยทำงานจดจ่อกับการเรียนการทํางานนะ่าถูกแล้วแต่พอเวลาที่ไม่ได้เรียนเวลาที่ไม่ได้ทํางานใจจะฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเราคอยรู้เอาตอนนั้น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 เราจะเห็นว่าใจม e> ันเปลี่ยนได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันท um> ํางานได้เองมันจะสุขจะทุกข์จะดีช่วมันทําเองตอนนี้คนดูไปตอนนี้ที่รู้ก็คือมันจะรู yani ้แบบเบาๆก็คือคือเราไม่ให้ค่าของการรู้แล้วก็ไม่ให้ค่าสิ่งที่มากระทบมันก็เลยรู้สึกว่าเบาพอเบาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เราอย่าไปเอาความเบาด้วยนะครับหนักก็รู้เบาก็รู้ก็เห็นมันทําได้เองถ้ามุ่งเอาความเบามันจะยิ่งเบาไปเรื่อยๆ ต่อไปเบาวิวนะจิตแปรรูปเลยครับขอบคุณหลวงพ่อดีทำได้ดีขึ้นแล้วละ่ะมาส ก, การหลวงพ่อครับออขออนุญาตเรนถามว่ากราณีเราเห็นไตรลักษ์เนี่ยไตรลักษี์เป็นสภาวธรรมหรือเปล่าครับเป็นนดดูไปนะครับดูไตรลักษ์ไป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 ราคาเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานนี้ราคาเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ราคาจะเกิดหรือราคาจะดับอยู่ที่เหตุไม่ใช่เราสั่งนี่เห็นอนัตตาตัวมันอันเดียวนะถ้าเห็นหลายตัวเปรียบเทียบกันเนะ่ยยังไม่ขึ้นนิปัสนาจริงคือถ้าขึ้นนิปัสนาหมายาว่าเห็นแล้วมันรู้เป็นเห็นทุกตัวนะสภาวะทุกตัวนั่นแหละแสดงใจลับนะครับอย่างนี้กรณีเราเห็น เห็นทุกนี่คำว่าเห็นทุกหมายความว่าเห็นลักษณะความบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้ของเขาท่านนั่นเองใช่ไหมใช่อันั้นเห็นทุกขังนะทุกขลักษณะเขาถูกบีบคั้นอย่างร่างกายที่นั่งอยู่นี้ก็ถูกบีบคั้นทําให้นั่งตลอดไม่ได้จิตใจที่สงบอยู่นี้ก็ถูกบีบคั้นอารมณ์มาบีบคั้นทําให้สงบตลอดไปไม่ได้มันถูกบีบคั้น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 เรายังไม่เห็นหรอกว่าเป็นทุกขสัตว์ครับเห็นทุกขสัตว์มันจะทิ้งแล้วจะปล่อยแล้วอ๋อเห็นตอนปลายตอนนู้นนะฮะใช่ครับอันนี้เราพยายามปฏิบัติวิปัสนาในลักษณะเห็นไตรักษณ์ไปก่อนที่หลวงพ่อบอกมันมีนมสองขั้นครับขั้นแรกเห็นมันแสดงใจรักษไปเรื่อยนะใจมันจะแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเราเอาตัวนี้ก่อนได้โสดาก่อนแล้วก็เห็นไจรักต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายรู้เลยว่ามีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวดีเลย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 แล้วขันแสดงไจรักษจิตเป็นแค่คนดูเนี่ยแหละเราเจริญอย่างนี้น ะ, ะบางคนก็เจดวันเจดเดือนเจปีอะไรเงี้ยที่ท่านว่าแล้วก็การปฏิบัติในรูปแบบของหนูนี่คือว่าหนูจะบริกา ร, รพุโทโธแล้วก็พอเวลาจิตเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกแล้วทีนี้แต่ว่าหนูก็จะมีการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณแล้วก็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 หลวงพ่อสแสดงธรรมก็เป็นบุญพวกเราฟังธรรมก็เป็นบุญเห็นไหมถ้าฉลาดนะบุญเยอะแยะเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือว่าหนูเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็ขี้กลัวกว่าจะส่งการบ้านพระอาจารย์ก็กรวบรวมความกล้ามานานหนูก็เลยถ้าเกิดหนูก็เลยสงสัยว่าถ้าหนูเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยไม่ค่อยมาส่งการบ้านพระอาจารย์หนูจะบรรลุไหมคะ ถ้าปฏิบัติถูกก็บรรลุนะถ้าไม่ไปติดข้างทางซะก่อนแล้วหนูไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติอยู่ในร่นรองในรอยหรือเปล่าอะคะ่ะตอนนี้ก็อยู่นะแต่กลับดักมันเยอะงั้นมาส่งกันบ้านได้ก็มาอย่าไปกลัวที่ทำอยู่นะดีนี่ตั้งแต่ส่งมาดีทุกคนเลยนะใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้คนแยกธาตุแยกขันได้เยอะแยะมากเลยนะ ถ้าทำตรงนี้ได้ก็คือทำวิปั ส, สนาได้ก็เห็นใจรักได้ทำวิปั ส, สนาได้นะมากผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่จะเป็นละท่านถึงบอกว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานแต่เจริญสติปัฏฐานแบบเป็นวิปั ส, สนานะโลกจะไม่ว่างจากปลาละหันข่าวที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ากิเลสหน้าตาเหมือนกุศลไอ้ทราบว่าช่วงนี้ ยังมีกิเลสตัวไหนที่เป็นตัวเด่นตัวอุทธัจจะไงอุทธัจจะหรอคะฟุ้งในธรรมฟุ้งในธรรมเช่นมันจะดูว่าทำไงจะดีกว่านี้อีกแค่นี้ก็ฟุ้งละสองวันที่แล้วก็ปฏิบัติเหมือนทุกวันนะคะแต่ว่ามีแต่โมหะก็ทำไงดีก็แล้วก็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 ก็เป็นระยะเป็นระยะค่ะขตอนี้ตอนนี้ไม่ค่ะตอบใช้ได้แล้วช่วงนี้โยมจิตไม่ค่อยเป็นกลางหรอคะคือต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นให้มากแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นให้มากๆกเยจะได้มีพลังโดยรวมแล้วก็จะเป็นฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอยู่แล้วนะเุณธรรมฝึกไปเรื่อยๆค่ะแล้วถ้ามันไม่มีแรงก็ทำควอมสงบ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 อจับไปกระทำมาสการพระอาจารย์ค่ะหนูขอส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีค่ะคือว่าก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะค่ะคือว่าตอนนี้คือศินห้าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรารักษา ด, ดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ทําความดีมากขึ้นกว่าที่เคยที่ไม่ปฏิบัติะคะ่ะแต่ว่าทําไมเราถึงเห็นตัวเราร้ายขึ้นทุกวันทุกวันนะคะนั่เราเห็นตัวจริงนะ แต่เดิมเราใส่หน้ากากไว้หลอกคนอื่นเราเลยหลอกตัวเองด้วยจริงๆแต่ละคนนะั้นซ่อนกิเลสไว้เต็มไปหมดเลยะเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัตินะยิ่งเห็นกิเลสยิง่งเห็นกิเลสมากกิเลสยิ่งครอบงําไม่ได้ยิ่งทําความดีง่ายขึ้นเรื่อยๆแปลว่าดีใช่ไมค่ะดีพระเจ้าสอนนะถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีท่านว่างี้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีเรา เ, เห็นไหมร้ายมากเลย ร้ายกว่าที่คิดรายมากเลยประเทศอาคาตพยาบาทก็ได้ก็โมโหขี้อิจฉาริษยาอะไรเงี้ยคือเห็นเห็นมากๆเลยค่ะดีแล้วหนูปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะก็หนูเหมือนเมื่อก่อนไหมเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแล้วนี่ไม่ไม่เหมือนนะคะดีไปทำต่อกราบขอขอบคุณค่ะนรรมสการ์หลวงพ่อครับ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 แต่ก่อนไม่รู้ว่ามันมันเป็นโมหะอืครับ mm hmm. หลังๆเพิ่งจะมาเห็นก็เลยไปลองเปลี่ยนดูรู้สึกว่าเปลี่ยนก็คือมาท่องอิติปิโส mm hmm. ก็ท่องไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่ามันท่องได้อแทบจะทั้งวัน mm hmm. แล้วก็ดูจิตที่ไหลไปได้ทั้งวันใช่ได้แต่กรรมฐานสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกั น, นที่หลวงพ่อบอกไม่มีสูตรสําเร็จนะเราฉลาดเราก็ดูเอาว่าเราเหมาะกับอะไรถ้าเราฝึกอะไรแล้ว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 ก็ขอถวายอ น, นิสงส์สักการปฏิบัติให้เป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายเป็นอาศิยาบูชาเดี๋หลวงพ่อปามโมลด<อ>์ครับสาธุวันนี้หลวงพ่อรวยมากเลยรวยบุญครับอย่างนี้ปลื้มใจนะลูกศิษย์ปฏิบัติชอบที่สุดเลยลูกศิษย์มาเจ้อยแจ้ะแจ๊ะลคาญเสียเวลาสอนไม่รู้จักจำบอกให้ไปเร่งภาวนาแล้วจะมานั่งจ้อแจ้๊ะ อ, อ, อย่างนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ดีลูกศิษย์ที่ดีต้องสู้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 ยังไม่ชํานาญเราไปเจอปัญหาใหญ่ซะ ก, ก่อนเนี่ยนะอดทนไว้ท่องคาถาไว้ไว้มันต้องผ่านไปสักวันหนึ่งเละไม่มีหรอกปัญหาที่ไม่ผ่านนะแล้วก็พอปัญหาผ่านไปแล้วสบายขึ้นแล้วเมื่อรีบภาวนาเข้านะหลวงพ่อคะบางครั้งนะคะจนหนูมีความรู้สึกว่าความทุกข์นี่มันเที่ยงแน่เลยเพราะว่า ม, มันเหมือนกับว่ามันก็ยังซ้ำซกอยู่กับเจอปัญหาอย่างนี้ซ้ำซากอยู่ตอนนอนหลับเนี่ยทุกข์ไหมอะไรนะคะตอนนอนหลับทุกข์เหมือนเดิมไหมไม่ทุกข์ไม่เที่ยง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 แล้วพอจะแยกธาดแยกขันได้หรือเปล่าคะเนีได้สิทำไมแยกไม่ได้เดี๋ยอยากได้ยินคำนี้มานานแล้วค่ะหลวงพ่อเรารู้ว่าอยากเป็นกำลังใจรู้ค่ะรู้แล้วยังเห็นกิเลสตัวเองเยอะเลยเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นโคนละอันกันเห็นค่ะนั่นแหละแยกขันละความสุขความทุกข์ก็โคนละอัน็น่ไหมนั่นแหละแยกขัน่ะค่ะขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อแยกขันได้ก็ทํำวิปัสสนาได้ เห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปใช่ไหมจะมขอปรสนามากพอมากคนก็เกิดเองแหละได้ค่ะจะขอปฏิบัติไปตลอดชีวิตเลยนะคะหลวงพ่ อ, อสาธุนะชอบชอบอย่างนี้ครับก็ส่งกันบ้านครบสิบสองท่านแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุมชินแห่งนี้กล่าวคำถวายทานที่ผู้ผู้นำมาถวายนะครับ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 จตารโรธรมมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลัง<า>ไปปฏิบัตินะ